แรกของเทศกาลเข้าพรรษาที่จริงแล้วเนี่ยช่วงในพรรษากับช่วงนอกพรรษานี่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันเหมือนกับวันนี้กับเมื่อวานนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเมื่อวานนีนะ้เรียกว่านอกพรรษานะวันนี้ เรียกว่าในภพรรษาแล้วมือนในแง่หนึ่งก็เป็นสมมุตินะและที่จริงคนเราไม่ว่าจะนหรือนอกพรรษาแล้วก็มีหน้าที่ต่อชีวิตจิตใจของตัวนะก็คือนะการดูแลรักษากายกับใจให้เป็นปกตินะมีความสุข ไกลจากความทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหน้าที่อันนี้นะไม่ว่าในรรษาหรือนอกราษาก็เหมือนกันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างก็มีอยู่นะโดยเพราะาท่านที่เป็นนักบวชจนะเป็น พระหรือแม่ชีก็คือว่าช่วงในพรรษาเราได้เหมือนกับมีตั้งปฏิญญาไว้กับตัวเองว่าเราจะอยู่ที่วัดนี้ในอาวาสนี้ด้วยกันตลอดสามเดือน มันไม่ใช่เป็นแค่ความตั้งใจเท่านั้นนะแต่ว่าก็ได้มีการาประกาศออกไปด้วยที่เราเรียกว่าอธิษฐานพรรษาเมื่อเช้านี้นะอธิษฐานพรรษาเอาความหมายคือว่าความตั้งใจมั่นนะในการที่จะอยู่ในอาวาสนี้นะ ในวัดนี้ตลอดสามเดือนอันนี้มันเป็นความแตกต่างระหว่างในกับนอกพรรษานอกพรรษานี้เราอาจจะไม่มีการประกาศหรือว่าแสดงความหรือว่ายืนยันนะว่าเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกันนานเท่าไหร่ อาจจะอยู่แค่สองสาวันอาจจะอยู่แค่สองสามอาทิตย์แล้วปอรู้สึกว่าเออมันที่นี่ไม่ค่อยน่าอยู่นะหรือว่ามันไม่เหมาะกับเรานะหรือว่ามีภารกิจนะที่เร่งด่วนทำให้เปลี่ยนใจนะออกจากที่นี่ไปอันนี้ก็ทำได้ เป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงนอกพรรษาแต่ว่าในช่วงในพรรษาเนี่ยนะมันแตกต่างกันเพราะว่าได้มีการลั่นวาจาไว้นะเมื่อเช้านี้ก็ทุกท่านพระทุกท่านแล้วก็คงจะรวมถึงแม่ชีด้วยนะก็ได้ประกาศออกไปกระหม u คณะว่าจะอยู่ที่นี่นะตลอดสามเดือนจนออกพรรษา นั่นก็หมายความว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะก็จะพยายามอยู่ให้ได้ความความคิดที่จะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นย้ายไปที่นั่นที่นี่เนี่ยก็เป็นรันตัดไปได้นะคือไม่ต้องคิดเพราะว่าได้ลั่นวาจาไว้แล้วนะที่เรียกว่าอธิษฐานถ้าเป็นช่วงนอกพรรษาเนี่ยเราไม่มีทาเนียมไม่มีพิธีกรรมนี้นะ ก็เปลี่ยนใจได้ง่ายนะซึ่งในแง่นึงมันก็ทำให้จิตใจเนี่ยนะไม่อดทนในการที่จะอยู่ให้ได้ตลอดสามเดือนบางคนเจออาหารที่ไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกว่ากุฏิคับแคบยุงเยอะนะอยู่ได้สมวันก็มาขอลา อันนั้นทำได้ในช่วงเวลานอกพรรษานะแต่ในพรรษาทำอย่างนั้นไม่ได้ที่จริงก่อนที่จะมาที่ฐาพนพรรษาที่นี่ก็ต้องมาดูให้เรียบร้อยนะว่าที่นี่เป็นอย่างไรนะเวลาใครจะมาบวชที่นี่เนี่ยก็แนะนำว่าให้มาดูก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพียงเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงวัดป่าสุกโตว่าร่มรื่นนะสงบ หรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่พูดกันรู้เรื่องนะตัดสินใจมาท่านนั้นยังไม่พอนะต้องมาดูก่อนนะว่าชอบไหมเหมาะไหมนะมันจะช่วยขัดเกลากิเลส ข, ของตัวได้ไหมนะชอบใจยังได้ไม่พอนะหรือว่าถูกใจยังได้ไม่พอนะต้องดูว่าเออมันถูกต้องไหม เมื่อมาดูแล้วถึงค่อยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าอย่าถอยหลังนะยิ่งอธิษฐานพรรษาไว้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องลังเล ส, สงสัยละคนเราถ้ายังไม่ตัดสินใจหรือยังไม่ประกาศแสดงเจตนารมนะมันก็ยังมีช่องทางให้นะเลี้ยวหลังหรือว่า ลังเลสงสัยเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนใจได้ง่ายซึ่งนั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะสหรับการปฏิบัติเพราะว่าธรรมดาคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามโดยเพราะทำในสิ่งที่มันยากสิ่งที่เป็นการทวนกระแสกิเลสเนี่ยมันก็จะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเป็นระยะระยะหรือว่า เกิดความไม่แน่ใจหรือบางทีก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสกิเลสมันบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปที่อื่นดีกว่านะคนหลายคนก็นะหันหัวเรือนะทำตามกิเลสได้ง่ายนะนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนอกพรรษานะแต่ว่าในพรรษาเนี่ยเมื่อเราได้รันวาจาได้ประกาศต่ตอหมู่คณะแล้วนะ นั่นก็หมายความว่าจะต้องอยู่ให้ได้นะที่นี่ไม่มีควาว่าเปลี่ยนใจเว้นแต่ว่ามีเรื่องด่วนจริงๆแต่บางทีกินเหลมก็หาเรื่องได้นะอย่างบางคนเนี่ยนะตั้งใจว่าจะอยู่ให้ได้ทางภรษาแต่พออยู่ไปอยู่ไปสึกไม่ชอบ รู้สึกว่ามันไม่คุ้นกับชีวิตความเป็นอยู่แบบป่าป่าของที่นี่หรือว่ารู้สึกเหงานะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเนะี่ยมีเพื่อนเยอะนะพอมาอยู่คนเดียวในกุฏิไม่ค่อยมีคนชวนคุยก็เริ่มที่จะหาข้อแก้ตัวนะอยากจะออกนะอยากจะย้าย บางทีถึงกับอยากจะศึกก็มีก็มีนะมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวจะออ้างว่าแม่ไม่สบายอ้างว่าพ่อไม่สบายหรือว่าอ้างว่าลูกมีปัญหานะจะต้ององกลับไปที่บ้านนะพอกลับไปถึงบ้านก็ไม่กลับมาอีกเลยนะเพราะว่า กิเลสมันสมอยากแล้วนะมันก็ถ้ามันสามารถดึงเราออกไปจากวัดไปอยู่กลับไปที่บ้านนะมันก็สามารถจะอ้างหรือชวนให้เราหาข้ออ้างที่จะเปลี่ยนใจไม่กลับมานะแต่คนเราเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องทำตามสิ่งที่อธิษฐานให้ได้แต่เดี๋ยวนี้คำว่าอธิษฐานเนี่ยเรา คนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยให้ค่าให้ความสําคัญเท่าไหร่เพราะไปเข้าใจความหมายมันผิดเพี้ยนไปอธิษฐานสมัยนี้หมายความว่าอะไรหมายคำ ว, ว่าขอคนเดี๋ยวนี้อธิษฐานง่ายเหลือเกินเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากขอนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยให้ประสบความสําเร็จให้เรียนจบให้ทําวิญญาณิพนธะ์สําเร็จหรือว่า ให้หายป่วยให้ร่ำรวยคนไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยอธิษฐานง่ายมากเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแค่นึกว่าอยากจะได้อะไรก็อธิษฐานแต่ที่จริงคาอธิษฐานในภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแบบนี้เลยมันแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆบารมีก็แปลว่า ความดีนะขั้นสูงนะไม่ใช่ความดีธรรมดาแล้วก็บารมีมันมีแค่1ิเท่านั้นแหละความดีมีมากมายนะแต่ว่าบารมีมีแค่10ิบนะทานศีลเนคขมะปัญญาสัจจะวิริยะขันติอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแต่ละข้อแต่ละข้อนี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ แต่ในนี้เราทําให้ความหมายของบา ร, รมีนี่ผิดเพี้ยนไปหลายข้อเช่นทานเนี่ยทานปลว่าทานนี่แปลว่าให้นะสละไม่ใช่แค่สละอาสละข้าวของสละวัตถุนะนี่สละแม้กระทั่งอวัยวะและชีวิตอย่างที่พระโพธิสัตว์นี่ก็ได้สละนะอวัยวะสละชีวิตมาแล้วนะบางทีไม่ได้สละให้ให้ใครเลยไม่ได้สละให้พี่น้อง ไม่ได้สละตสละตับให้พ่อแม่เลยเลยบางทีสละชีวิตให้กับเสือซึ่งไม่ได้รู้จักกันยังมีเรื่องเล่าในชาดกว่าเนี่ยสมัยที่พระโพธิสัตว์เป็นเป็นฤาษีนะจาริกในป่าก็มีลูกศิษย์ตามมาด้วยก็ไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนนี่มันเพิ่งคลอดลูก แต่มันหิวโซมากมันหิวโซแล้วมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็คิดจะกินลูกของมันพระโพธิสัตว์ก็ให้ลูกศิษย์ไปตามไปหาอาหารมาให้แม่เสือแต่ว่าลูกศิษยก็ไปไกลเหลือเกินไม่กลับมาหรือว่าหาไม่เจอก็ไม่ทราบแม่เสือมันก็กำลังจะขยํำลูกท่านก็เห็นว่าอยากจะช่วยชีวิตลูกเสื อ, อไว แล้วก็ไม่อยากจะให้แม่เสือนี้ทาบาปทากรรมนะก็เลยโดดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินเป็นอาหารอันนี้เราปรมามัตถารมีเลยนะเป็นทานบบารมีขั้นปรมัตคือสละนะชีวิตนะสรุปก็คือทานเนี่ยแปลว่าการให้การสละแต่ทนี้ทานแปลว่าอะไรทานแปลว่าเอาใส่ปากนะทานอาหารเนี่ยนะ ทานอาหารว่าเอาใส่ปากใช่ไหมคนละเรื่องเลยนะตรงข้างมันเลยทานบาลีแปลว่าให้สละออกไปนี่แต่ทานภาษาไทยแปลว่เอาเข้าปากเอาใส่ท้องอธิษฐานก็เหมือนกันนะอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทํำได้ง่ายต้องต้องอไม่ใช่การขอขอนี่มันง่ายมากแล้วมันทําให้กลายเป็นงอมืองอเท้าไปเลยอคนไทยนี่อธิษฐานบ่อยจนกระทั่งกลายเป็นคนช่างขอนะ ขอไปหมดนะนะเทวดาขอพระพิคเนตขอจตุคามรามเทพตอนหลังก็เริ่มขอชูชกแล้วมีการบูชาชูโชกนะขอนะไม่ฉลาดเลยนะชูชกนี่มันคิดแต่จะเอานะมันไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยทําไมคนไทยนี่ถึงไปขอชูชกก็ไม่รู้นะนี่คือทิฏฐานนะสมัยนี้นะแต่ทิฏฐานภาษาบาลีเนี่ยอย่างที่บอกนะคือมันหมายถึงความตั้งใจมั่น เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทําให้ได้นะจะอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ต้องทําให้ได้แล้วเมื่อเราที่ถ่านบรรษาแล้วก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องอตั้งใจมั่นว่าเราไม่ใช่แค่พูดแต่ปากหรือว่าพูดศักแต่ว่าตามประเพณีแต่ว่าตั้งต้อ ง, ต, ง, ต, งตั้งใจทําให้ได้ทำไมถึงต้องอธิษฐานบรรษาเนี่ยก็เพราะว่าการที่อยู่ร่วมกันในอาวาสนะหรือว่าการที่อยู่ในวัดเนะี่ย รวมกันตลอดสามเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งมากคนก็มากความคนเรานี้ก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างทั้งนิสัยใจคอทั้งพฤติกรรมนะแล้วเมื่ออยู่ด้กันแล้วเนี่ยนะความแตกต่างนั้นเนี่ยแทนที่มันจะเสริมกันนะช่วยกันนะบางทีมันก็กลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ เกิดการกระทบกระทั่งกันในที่สุดนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าแม้จะแม้จะอยู่คนเดียวนะไม่มีใครเลยนะไอการที่จะอยู่กับที่สามเดือนเนี่ยสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะอยู่กับที่ไหนนานๆก็ไม่ค่อยได้นะอยู่สักปั๊บหรือก็ไปแล้ะเบือ่อเพราะคนสมัยนี้เบื่อง่ายนะ เบื่อง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเสพนะกินอาหารจานซ้ําๆกันนะไม่กี่ครั้งก็เบื่อและ้ะถึงแม้อาหารจะยอร่อยฟังเพลงเดียวไม่กี่ครั้งก็เบื่อแล้วอยู่กับคู่รักนะไม่กี่ไม่กี่เดือนนะอย่าว่าแต่ไม่กี่ปีเลยนะไม่เอาว่าไม่กี่เดือนเนี่ยก็เบื่อและนะยิ่งมาอยู่ป่าหรือว่ามาอยู่ในอาวาสอยู่ในวัดซึ่ง โดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหรนะ่การที่ต้องหลีกเล่นจากสิ่งจากวิธีช่วยทอำนวยความสะดวกนะบ้านติดแารนะ์มีโทรทัศนะ์มีวิดีโอมีอินเทอร์เน็ตนะมีตู้เย็นในตู้เย็นนี่ก็มีของกินกินได้ตลอดเวลาทั้งน้ำอารมณ์ทั้งขนมหวานนะพอมาอยู่ในวัดนะ ซึ่งตามหลักมันก็ควรจะไม่มีอะไรมากนะโดยพราะที่นี่นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มกระสับกระส่ายโดยเพราะในช่วงวันแรกๆนะจะเริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ยากนะเพราะว่าเวลามันเยอะแล้วก็ต้องอยู่กับต้องอยู่กับตัวเองนะแต่ก่อนอยู่ในเมืองมีมีเวลามีโอกาสที่จะ หนีตัวเองได้ง่ายนะชี้งคนในเมืองเนี่ยมันเป็นชี่งคนที่พยายามหนีตัวเองนะหนีไปพูดคุยกับคนนี้ไปเที่ยวห้างไปอยู่กับเฟซบุ๊กไปอยู่กับลน์ไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับเกมออนไลน์นะมันหนีง่ายแล้วก็ก็เลยลืมตัวได้ง่ายเหมือนกันแต่พอมาอยู่วัดแล้วเนี่ยโดยพาวัดแบบนี้เนี่ยในการที่จะหนีตัวเองมันยาก นะต้องมาเจอต้องมาประจันหน้ากับตัวเองพอทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็เริ่มกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ใช่จะสุขสบายเท่าไหร่นะสบายกายก็ก็ไม่สบายมากนะสบายใจก็ยังยังทำไม่ได้เพราะว่าจิตว้าวุ่นนะ อย่างที่เล่ามาแค่เนี่ยการที่จะจิตใจโอนเอนหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยหรือว่าคิดจะเปลี่ยนใจนะที่จะหนีออกไปจากที่ที่นี่เนี่ยมันก็มีง่ายแต่ถ้าเราทิศฐานไปแล้วนะก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าเราต้องทำให้ได้เนี่ยต้องอยู่ให้ได้และจริงๆทุกคนอยู่ได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าต้องให้เวลากับกายและใจในการปรับตัวนะพวกเราทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าไม่ว่าพระหรือว่แม่ชีที่มาอยู่ใหม่หรือว่านักปฏิบัติก็ตามเนี่ยให้เวลากับกายและใจของของตัวนะในการปรับตัวเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันปรับตัวได้ง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจคนที่อยู่สะดวกสบายมา พอไปค้างแรมในป่าหรือไปเดินธรรมญาตราอย่างที่ที่นี่จัดทุกปีเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะก็จะรู้สึกอึดอัดนะหรือว่ารู้สึกกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขนะแต่ว่าพอผ่านไปสักสามสี่วันนะก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางร่างกายก็ปรับได้ไม่ว่าจะเป็นเวลานอนเวลากินนะ บางทีพอปรับไปได้สักพักนี้การนอนกลางดินกินกลางสายก็เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสบายอาจจะนอนหลับได้ดีกว่าตอนอยู่บ้านด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งจะมากระตุ้นให้ตาสว่างนะตลอดทั้งคืนนะเหมือนพวกอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กหรือว่าโทรทัศน์วิดีโอพยายามให้เวลานะกับกายและใจของเรานะใจของเราก็เหมือนกันมาปรับได้ง่าย นะถ้าเราอดทนสักหน่อยต้องมีขันติธรรมนะมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่าการและใจเนี่ยมันมีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วคนที่กินสามมื้อมาตลอดชีวิตนะพอจะมาถือศีลแปดเนี่ยอดมื้อเย็นเนี่ยวันแรกสองวันแรกก็จะรู้สึกนะหิวนะท้องร้องนะแต่ว่าพอผ่านไปสามสี่วันก็จะเริ่มดีขึ้น ที่อดอาหารไม่ใช่แค่อดแค่อาหารเย็นนะอดทั้งสามมื้อเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกนะว่าสองสามวันแรกนี้มันทรมานแต่พอวันที่สี่แล้วก็จะดีขึ้นคนที่มาทำสมาธินะนะเก็บอารมณ์ไม่ว่าไหนสำนักไหนเนี่ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันว่าในช่วงสามวันแรกนี่ทรมานมากบางสำนักนี่ให้นั่ง ให้นั่งทั้งวันนะบางสำนักให้เดินจงกรมนะวันละหลายชั่วโมงนะช่วงสามวันแรกนี้จะเป็นช่วงที่ทรมานมากเพราะร่างกายมันไม่คุ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็เริ่มปรับตัวทั้งกายและใจนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราถึงแม้ว่าช่วงนี้นะสาหรับคนที่มาใหม่จะรู้สึกว่ามันยังอึอดอัดหรือว่า ยังรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวรู้สึกลําบากนะก็ให้ดูไปนะดูอาการเหล่านี้ไปอาการกายและใจพอให้เวลาผ่านไปสักสามสี่วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็อย่าไปเสียเวลานับถอยหลังนะบางคนเนี่ยเริ่มนับถอยหลังแล้วนะอีกเก้าสิบวันจะออกพรรษาเนี่ยอีกเก้าสิบวันจะสึกเนี่ย อีก90วันเจอะจากวัดเนี่ยยิ่งนับถอยหลังยิ่งเป็นทุกข์นะเพราะว่าจะรู้สึกว่าเวลามันช้ามากคนที่นับถอยหลังเนี่ยหรือว่าเอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะ ถ, ถึงวันออกพรรษาเมื่อไหร่จะได้ถึงวันที่ศึกเนี่ยยิ่งนับถอยหลังยิ่งเป็นทุกข์เพราะาจะรู้สึกว่ามันช้าแล้วก็ใจที่มันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจมันไปอยู่กับอนาคตเนี่ยมันเป็นทุกข์ง่ายอยู่แล้วนะให้รู้ทันนะ ตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเริ่มนับถอยหลังแล้วพอตื่นขึ้นมาโออีกต้องสองเดือนกับอีกยี่สิบแปดวันเนี่ยบอคิดแบบนี้เข้านี่ห่อเหี่ยวเลยวางมันลงซะนะลืมมันไปเลยแล้วเดี๋ยวจะพบว่าเวลาผ่านไปเร็วธรรมดานะช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยจะช้าสำหรับผู้มาใหม่นะจะรู้สึกมันช้าแต่เพิปุ๊บเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งละเพิ่ปุ๊บเดียวอีกทีออกพรรษาล้ ช่วงที่สองที่แรกนี่มันเวลามันจะผ่านช้ามากมันจะมันจะไปเคลื่อนช้ามากก็จะไปทุรนทุลายกับมันเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปสักพักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเร็วมากนะเดี๋ยวเดือนแรกก็จะผ่านไปละปุ๊บเดียวเดือนที่สองเดือนที่สามอ้าวออกพรรษาแล้วเราถึงตอนนั้นก็จะเสียดายว่าไม่อยากออกไม่อยากไม่อยากศึกนะอันนี้เป็นธรรมดาเพราะใจเราเนี่ยมันปรับตัวได้แล้วเนี่ย ก็จะสบายอย่าว่าแต่พระเลยนะโยมก็เหมือนกันนะเคยมีโยมคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยแกมาอยู่วัดด้วยความจำใจนะเพราะว่าหนีหนี้มานะตอนที่มาอยู่ตรรมาก็ไม่รู้หรอกนะพี่สาวพามาส่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะไม่ถึงสามสิบไปอยู่หอไตรสมัยก่อนหอไตรมันอยู่ตรงบ น, บนเขาไม่มีกุฏิเท่าไหร่ อยู่คนเดียวโดนห่อไตรวันแรกๆก็ร้องไห้นึกถึงลูกนะลูกยังเด็กอยู่เลยสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีนะติดต่อลาบากมากเป็นห่วงลูกแล้วก็คิดถึงลูกแล้วก็คิดถึงความสะดกสบายอาทิตย์แรกนี่ร้องไห้ทุกวันแต่ว่าลงไปไม่ได้นะอันนี้หนักกว่าเรานะคือถ้าลงไปเดี๋ยวก็คุกเจอคุกสถานเดียว แต่ตอนหลังก็พออยู่สักสองอาทิตย์เริ่มคุ้นแล้ววันๆก็ไม่ต้องทำอะไรวันๆก็นอกจากกิจวัตรที่ช่วยงานวัดก็กวาดสาราเช็ดถูสารากวาดใบไม้รอบหอไตรทำไปทำไปเพลินนะผ่านไปหนึ่งเดือนนี่ขอบวชเลยนะขอบวชเลยเพราะรู้สึกว่าเออมันสงบแฮะ น, นี่ธรรมาชาติของใจเลยเป็นอย่างนั้นนะ กายของเราก็เหมือนกันที่เคยนอนดึกตื่นสายนะพอมาอยู่วัดก็นอนหัวข้ามตื่นเช้ามืดก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปให้เราต้องให้เวลากับกายและใจของเรานะเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยนอกจากการที่เราพยายามปรับตัวปรับใจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะก็คือความความอดทนต่ออารมณ์ของผู้คนหรือว่า การปฏิบัติตัวของคนรอบข้างอย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่ที่นี่เนี่ยคนเยอะนะพระก็ดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดีนะก็เรียกว่ามาคนละทิศคนละทางถ้าภาษาชาวบ้านเรียกร้อยพ่อพันแม่อ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราบ้างนะการกระทําบางอย่างเราหรับเจ้าตัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทรัพาเนี่ยมันเป็นคาที่ไม่สุภาพเป็นคา เป็นคำที่ไม่มีหางเสียงนะคนพูดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนฟังเนี่ยก็ไม่พอใจนะให้เราต้องต้องรู้จักมั่นคงนะอดทนต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรมนะไม่ว่าจะเป็นการขบชันก็ดีนะการบินทาบาทก็ดีการตักอาหารก็ดีหรือโดยเฉพาะเวลาทำงานด้วยกันเช่นในครัวนะให้เราต้องให้เราถือว่านี่เป็นการฝึกใจนะ ให้ให้เข้มแข็งมั่นคงการอยู่ร่วมกันนะด้วยความพร้อมเพรียงกันนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีเรื่องวิวาทกันเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปได้ง่ายสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสด็จไปเยือนพระสาวกเนี่ยตอนนั้นพระสาวกอยู่กันสามรูปเองนะ พระอนุรุทธพระนันทิยาพระกิมพินละตอนนั้นก็ปลีวิเวกกันนะอยู่ในป่าชื่อป่าโคสิงคารสาละวันนะก็เป็นป่าที่มีชื่อนะที่มีกล่าวถึงในปฏิปดกหลายครั้งพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมประโยคแรกที่พระองค์ถามก็คือว่าลําบากไหมพอทนไหวไหมบิณฑ บ, บาตลําบากหรือเปล่า ถามเรื่องถามเรื่องความเรื่องอาหารการกินก่อนนะเรื่องความกินความเป็นอยู่ทางกายภาพทั้งสามท่านก็ตอบว่าบินทบาทได้สบายนะนะไม่ลำบากนะนั่นะในเรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาทีนี้พระองค์ก็ถามต่อไปว่าแล้วอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงไหมชื่นชมกันหรือเปล่านะ มีความมีการวิวาทกันไหมเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมหรือเปล่าท่านเปรียดได้ดีนะเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมหรือเปล่าถ้าเข้ากันไม่ได้นี่ท่านไปเปรียบว่าน้ำกับน้ำมันนะเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไหมนะมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่าท่านพู้เจ้าใช้คำที่ไพเราะมากมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาหรือเปล่า ทั้ง3มท่านเนี่ยก็ตอบดีนะตอบว่าแม้กายของข้าพระองค์จะต่างกันนะแต่จิตใจก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยเก็บจิตของตนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามอำนาจจิตของผู้อื่นโอ้นี่เป็นการลดอีกโก้ลดอัตตาอย่างเต็มที่เลยนะท่านใช้ว่าเก็บจิตของตนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามอำนาจจิตของผู้อื่นก็ของเพื่อนนะั่นแหละอีก2รูป คือเรียกว่าไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะแต่ว่าเอาหมู่คณะเป็นใหญ่ทำไมพระเจ้าถึงถามเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญสารการปฏิบัติเพราะว่าถ้าพร้อมเพรียงกันแล้วนะไม่วิวาดกันไม่ใช่ไม่วิวาดกันเดียวนะชื่นชมกันด้วยนะมันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติลาพังแค่ไม่วิวาทกันเนี่ยยังไม่พอนะต้องชื่นชมกันด้วยนะ ชื่นชมกันนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นแบบฝึกหัดของพวกเราได้เหมือนกันนะว่าคือนอกจากจะไม่วิวาดกันแล้วไม่ขัดแย้งกันแล้วเนี่ยต้องชื่นชมกันนะพยายามมองเห็นข้อดีของกันและกันให้ได้แล้วที่ที่ท่านตอบพระพุทธาจ้์นี่ก็น่าคิดมากทีเดียวว่าเราจะทําได้ไหมอันนี้ก็เป็นแบบฝึ ก, ฝกหัดให้เราได้พยายามทานะ ว่าแม่กายของข้าพระองค์นี้จะแตกต่างกันแต่ว่าจิต ก, ก็เป็นอันเดียวกันข้าพระองค์เก็บจิตของตนไว้แล้วปฏิบัติตามหำนาจิตของผู้อื่นนะหลังจากที่พระเจ้าถามเรื่องความพร้อมเพียงกันแล้วพระองค์ถึงจะถามว่าตอนนี้ยังไม่ประมาทอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามีความอุทิศกายและใจเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ะตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญนะเพราะว่า ที่ราบวชมาก็เพื่อนนี้แหละนะเพื่อการปฏิบัติเพื่อและการที่เราจะปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องมีความขวนขวายมีความเพียรนะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าถึงจะถามว่าแล้วได้มีคุณวิเศษบ้างหรือเปล่าหรือว่าได้รับผลแห่งการปฏิบัติบ้างไหมเราสังเกตนะว่าผลแห่งการปฏิบัติพระองค์นี้ก็จะถามเป็นคําถามสุดท้ายก่อนที่จะถามเรื่องผลการปฏิบัติก็จะถามว่า ตั้งใจไหมตั้งใจปฏิบัติไหมเนะี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของความเพียรพยายามมากผลนี่เป็นเรื่องตามมาทีหลังนะแต่ว่าต้องเพียรพยายามก่อนถึงแม้ผลยังไม่บังเกิด น, นะแต่ถ้ามีความเพียรพยายามก็ถือว่านายกย่องนะน่าชื่นชมพ่อแม่หลายคนเนี่ยเวลาถามนะเวลาถามลูกก็จะถามว่าสอบได้ดีไหมได้เกรดเท่าไหรนะ่นะแทนที่จะถามว่า มีความตั้งใจไหมมีความเพียรพยายามหรือเปล่านะพ่อแม่ที่ฉล า, าเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องความเพียรพยายามก่อนนะเกรดเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งแข่งกีฬาเนี่ยนะก็จะไม่ได้ถามไม่ได้ให้ความสําคัญว่าชนะหรือแพ้แต่ถามว่าได้ตั้งใจไม่ได้สู้เต็มที่หรือเปล่านะพ่อแม่ที่ฉล า, าเนี่ยเขาจะถามเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องความเพียรพยายาม ผลนี่เป็นเรื่องทีหลังนะแต่ว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็ไปให้ความสําคัญกับเรื่องผลมากบางทีเด็กก็เพียรพยายามเต็มที่นะแต่ว่าแท้หรือว่าได้เกรดไม่ดีพ่อแม่รู้ก็ว่าเลยนะทาให้เด็กรู้สึกล้มเหลวแล้วก็รู้สึกว่าความเพียรพยายามไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือผลชนะหรือว่าเกรดที่ดีถ้าเด็กคิดแบบนี้นะต่อไปเด็กก็จะ คิดเรื่องการโกงแล้วนะโกงยังไงถึงจะชนะนะหรือว่าโกงยังไงถึงจะได้คะแนนดีเพราะว่าพ่อแม่ไม่เห็นความสำคัญของความเพียรพยายามาเด็กไทยจำนวนมากเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้นะก็คือโกงนะโกงการสอบหรือว่าโกงในการแข่งกีฬาซึ่งอย่างนี้ก็เป็นกันไปเยอะนะเล่นกีฬาก็ต้องนะทำไงก็จะขอได้ชนะส่วนความเพียรพยายามนี่ คนไม่ค่อยให้ค่าเท่าไหร่แต่นี้ไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยพูเจ้านี่เป็นแบบอย่างว่าผลสำเร็จหรืออ น, นิสงส์การปฏิบัติเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับว่าความเพียรพยายามขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความขวนขวายนะทุ่มเทกายและใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าแต่จะทางั้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหมู่คณะนะ ผูเจ้าจึงถามคําถามที่สองก่อนหน้าที่จะถามเรื่องความเพียรพยายามว่ามีความพร้อมเพรียงกันไหมมีความพร้อมเพรียงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เรามาอยู่ร่วมกันในที่นี้เนี่ยนะสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติของเราเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามหรือว่าทําให้เราเมีความมีความทุ่มเทนะ ขนควาในการปฏิบัติก็คือหมู่คณะหมู่คณะสําคัญมากถ้าไปเจอหมู่คณะที่ดีนะก็ทําให้เราเกิดความเพียรได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้ในมงคลรสูตรเนี่ยที่เราเพิ่งสวดกันเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยสองข้อแรกเนี่ยจึงเป็นเรื่องของเพื่อนนะการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตนะถ้าคบคนพาลเป็นเพื่อนนี่ก็แย่เลยนะชีวิตเนี่ยจเจริญได้ยากแต่ถ้าว่าเราครบ บันดิตเป็นเพื่อนหรือว่ามีการยนตมิตรเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเราและการปฏิบัติของเราเนี่ยนะมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยๆก็เริ่มต้นด้วยการมีกําลังใจในการปฏิบัติเพราะเพื่อนก็ทําเราก็มีกําลังใจที่จะทําอย่างนั้นบ้างพระเจ้าย่างตัดว่าเนี่ยกรยารยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะเดี๋ยวในบทโซมเมอร์ของเราเนี่ยจะมีบทหนึ่งเนี่ยท่านจะพูดเรื่องการยนตมิตรเลยนะ พรนนท์เคยบอกว่ากเรียนมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระอาจาตรัสว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นอนนท์กเรียนมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ก็คือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่เจริญงอกงามนะและการที่เรามาที่นี่เนี่ยนะไม่ว่าจะมาในเพศของพระแม่ชีหรือนักหรือว่าคารวาสเนี่ยเราก็มุ่งชีวิตพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้แปลไม่ได้แปลว่าไม่มีคู่ นะแปลว่าโสดนะไม่ใช่นะพรหมจรรย์นี่แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีการปฏิบัติที่ตั้งมั่นในธรรมถือศีลห้าก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้นะมีครอบครัวแต่ว่าพอใจในคู่ความของตัวเรียกว่ามีสัทธารสันโดษเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้นะไม่ใช่ว่าต้องบวชพระนะเพราะว่าพรหมจรรย์ความหมายจริงคือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่มีศีลมีธรรมอยนะซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ย ประการสําคัญคือต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมอาศัยมิตรที่นี่เนี่ยเรื่องอาหารบินทบาทเนี่ยหมดปัญหานะที่พระเจ้าเคยถามคําถามแรกกับทั้งสามท่านว่าบินทบาทได้ไหมลําบากหรือเปล่าความเป็นอยู่ลําบากเพียงใดเนี่ยข้อนี้ตัดไปได้นะที่นี่ถึงแม้คนที่มาในเมืองอาจจะซื้อว่ามันไม่สะดวกสบายแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นลําบากนะวัดป่าสุกโตนี่ก็ ผ่านข้อแรกนะไปได้อย่างไม่ยากนะเรื่องบิณฑบาตเรื่องความเป็นอยู่แต่ข้อที่สองเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันสร้างขึ้นเป็นเป็นภารกิจที่เราต้องต้องพยายามทำให้เกิดมีขึ้นนะทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมมันเป็นความท้าทายด้วยนะว่าเราจะอยู่กันด้วยความพร้อมเพรียงชื่นชมกันไม่วิวาดกันเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ามันน้ากับน้านมหรือเปล่านะ มองกันด้วยสายตาอาที่เปี่ยมด้วยความเป็นมิตรไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่วิวาดกันนะแต่เราจะไม่วิวาดกันได้ก็ต้องเริ่มตัวจากกาวรูร้จักชื่นชมกันนะถ้าเราชื่นชมกันแล้วเนี่ยมีอะไรมากระทบกระทั่งกันเราก็ให้อภยัยแล้วก็ไม่ถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่ก็การวิวาทก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ข้อสองนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องทําให้ได้นะในพรรษานี้ อย่างแล้วก็ตามเนี่ยก็อย่าเป็นรอนะว่าจะต้องให้มีข้อสองก่อนนะเราถึงจะขยันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอหมู่คณะไม่ไม่พร้อมเพรียงกันเราก็เลยขี้เกียจเราก็เลยเฉื่อยชานะ่ยไม่ใช่จริงอยู่นะหมู่คณะสำคัญมากแต่ว่าเราก็อย่าไปพึ่งหมู่คณะอย่างเดียวเราก็ต้องมีความเพียรของตัวเราเองด้วยไม่ใช่เป็นรอว่าต้องให้หมู่คณะพร้อมเพรียงก่อนแล้วเราถึงจะ ภาพเพียรขวนขวายปฏิบัติไม่ต้องรอทาเลยนะตั้งแต่คืนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าผลหรือคุณนิวิเศษการปฏิบัติจะจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่ชาวพุทธควรสนใจคือประกอบเหตุให้ดีเมื่อทำเหตุให้ดีแล้วผลมันตามมาเองอย่าไปสนใจผลนะสนใจจดจอ่ออยู่กับเหตุการประกอบเหตุให้ดี แล้วผลก็จะตามมาอ่าแล้วก็พูดกันเท่านี้นะสำหรับคำนี้